ถ้ามีหูมีตาก็จะรู้เราว่าสังสารวัตมันน่ากลัวนะมันยาวนานทรัพสมบัติในโลกเราสะสมเอาไวนะ้ก็อยู่ในโลกเอาไปไม่ได้ชักนิดเดียวเลยเราเอาคุณงามความดีติดตัวไปนะข้ามพข้ามชาติไปได้อย่างบางคนภาวนานะทำไมเขาภาวนาง่ายจังทำไมชีวิตเขาดีจัง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 ด่าได้ประณีตลึกซึ้งเจ็บแสบสมัยก่อนมีนะอาชีพรับจ้างด่าเออมีนะอาชีพรับจ้างตบก็มีตบอาอาชีพรับจ้างตีหัวเดี๋ยวนี้มันรวมอยู่ในอาชีพรับจ้างทวงนี้เ อ, อตทักฆะทักหลายเหล่านี้ทำไมเขาเก่งเพราะเ ข, า เ, ขาเคยฝึกของเข า, างั้น